ตอนนี้ไปพึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่อย่าส่งใจไปทางอื่นพึงกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกพร้อมขับนึกถึงคุณพระรัตนากล เป็นที่พึ่งที่ระลึกอันประเสริฐของตอนเราประพฤติปฏิบัติในพุทธศาสนานี้เขาอุทิศเพื่อพุทธศาสดานั่นเองถ้าเราไม่มีความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์ เขาไม่ได้เข้ามาบวชและกไ็ได้มาปฏิบัติธรรมสำหรับผู้เป็นทายกทายิก า, ก, าก็ดีเราเห็นว่าพระธรรมคือข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นเป็นแนวทางพ้นจากทุกภัยในสงสารไปได้จริง แต่ว่าต้องปฏิบัติให้ต่อเนื่องกันคำว่าขอวัดปฏิบัติในที่นี้นะเราจะไปทำให้ครึ่งครึกลางๆางอันมันก็จึงค่อยขมักขมเนเข้าหาเกียร์คลานก็อยู่เฉยๆซะไม่มีอุบายแงบคลายอะไรในใจ เนื้อว่าแต่ก่อนเคยเดินจงกรมต่อมาเกิดเกียรตคล้านขึ้นมาแล้วกบหยุดเดินจงกรมเสียแต่ก่อนเคยนั่งสมาธิประจําอยู่กับที่อยู่ของตนต่อมาก็งดเสียไม่นั่งมานั่งรวมกันอยู่แค่ สารากา ร, ปรเปลี่ยนเท่านี้พอแล้ว อ, อันนี้เป็นความประมาทชื่อว่าเป็นผู้ทำข้อวัดปฏิบัติให้ขาดตกบกพร่องอมนันก็ไม่ทันกับความหลงถ้าเป็นผู้ประมาทขาดสติสัมปชัญญะ ขาดข้อวัดปฏิบัติเป็นทำให้เป็นวักเป็นตอนอย่างที่ว่านั่นนะข่าวได้เกียกคลานขึ้นมากิเลสมันก็หุ้มห่อจิตใจเขา้าข่าวได้ทำความเพียงขมักขะเม้นเข้าไปอกิเลสมันก็เพิกออกไปมันยังคนรายย่านี่แหละ เมื่อไ่ถอนรากของมันตัดแต่ต้นมันออกหน่อยมันก็งอกขึ้นมาอีกเผลอๆไม่ไปชำละมันอีกมันก็ขึ้นท่วมผดพันธ์ต่างๆให้สูบสีดไปไม่งอกความเจริญได้ <c oughs> ถ้าหากว่ามันชำละอยู่บ่อย อย่างนี้แนละ้วอย่าให้มันขึ้นท่วมพืชพันธ์ต่างๆที่ปลูกลงในดินพืชเหล่านั้นนะมันก็งอกงามเจริญขึ้นได้เต็มที่ผลิดอกออกผลในเจ้าของผู้กระทาได้เต็มที่อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยการที่เรามีศรัทธา ความเชื่อในข้อวัดปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ก็เป็นทางพ้นทุกข์จริงอย่างนี้ก็ตั้งใจทำความเบียรนั้นให้ติดต่อกันไปข้อนี้จะให้หมายเอาว่าต้องนั่งสมาธิภาวนาอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นหรือไม่ใช่อย่างนั้น การทำความเพียร น, นี่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราเพียรในอริยบททั้งสี่เลยไม่ใช่ไปเพียรแต่เวลานั่งสมาธิภาวนาเท่านั้นการนั่งสมาธิมันก็เป็นครั้งเป็นคราวไม่ใช่จะนั่งไปตลอดวันตลอดคืนเรื่อยไปไม่ใช่อย่างนั้น เพราะร่างกายอันนี้มันเนื่องอยู่ด้วยปัจจัยเครื่องอาศัยเห็นอาหารการบริโภคอนี่แหละเนื่องอยู่ด้วยที่อยู่ที่อาศัยเพราะนั้นจำเป็นต้องได้ไปเที่ยวพิกขาจานมาเลี้ยงมันที่อยู่ที่อาศัยจําเป็นก็ต้องดูแลต้องทำความสะอาด ไม่ให้สพ ก, ก็ปลุกลกรุงรังมันก็จึงน่าอยู่น่าอาศัยที่อยู่เทียสัยถ้าปล่อยให้ลบรุงรังแล้วอย่าว่าแต่ผู้อื่นจะขยักขยแงเลยแม้แต่ตนเองก็ไม่เบิกบานใจการอยู่ในที่ที่มันลบรุงรัง นี่แสดงถึงว่ากิเลสนั้นยิ่งเป็นสิ่งที่รกชัดอยู่ในจิตใจถ้าไม่มันชำระมันแล้วมันก็รกรุงรังงอกขึ้นในจิตใจของคนเราเหมือนอย่างผุนละอองทุลิกขยะต่างๆที่เราไม่ปัดโกดไม่ชำระ น, นั่นแหละนานไปมันก็มากขึ้นมากขึ้นกิเลสก็เหมือนกันอย่างนั้นถ้าบุคคลขาดความเพียรในอริยบททั้งสี่แล้วมันก็เปิดช่องให้กิเลสมันลุกลามขึ้นในจิตใจก็สันนั้นเละเพราะนั้นในอริยบทใดในสี่อริยบทเนี่ย เราต้องมีสติสมบัติสัญญะกำหนดรู้กายรู้จิตนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ประคองจิตนี้ด้วยสติให้มีความรู้สึกสม่ำเสมอต่ออารมณ์ต่างๆให้ได้อย่าให้จิตมันหลงยินดียินร้ายไปตามอารมณ์ต่างๆ ที่ผ่านมาทางตาทางหูเป็นตน้นอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้มีความเพียรมีข้อวัดปฏิบัติอยู่ในตนเป็นอาการิกะธรรมไม่อ้างการอ้างเวลาเวลาใดก็เราก็ทำความเพียรทั้งนั้นแหละถับ พู้เข้าใจไปว่าถึงเวลาแล้วเราจึงนั่งสมาธิภาวนาถ้าไม่ถึงเวลาแล้วก็ปล่อยจิตให้เลร่อนไปทั่วอย่างนี้ไม่ถูกต้องได้ชื่อว่าการปฏิบัติของผู้นั้นอ้างการอ้างเวลาอยู่ไม่ไม่ตรงกับบท พระธรรมกุลบทว่าอากาลิโกพระธรรมการปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนมุทิเจ้าไม่ต้องอ้างการอ้างเวลาเพราะว่าพระธรรมที่จะให้เราปฏิบัติให้เรารู้เราเห็นมีอยู่ทุกเมื่อะไรมีอยู่ในกายในใจนี้เองให้เข้าใจอย่างนั้น รูปธรรมนี่รูปกายทุกส่วนนี้ก็เป็นธรรมะหนึง่งนามธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันที่ไม่มีรูปร่างเป็นแต่ชื่อเฉยๆก็มีอยู่ในจิตนี้แล้วมีอยู่ในกายนี้เหมือนกัน <c oughs> ดังนั้นจึงไม่เป็น สิ่งจำเป็นที่เราจะต้องไปคว้าหาหรือไปแสวงหาที่อื่ น, นธรรมะนั่นน่ะมันมีอยู่ในนี้แล้วแต่ว่าเมื่อจิตไม่มันพิจารณาไม่มันเพ่งมันหากไม่เห็นจริงตามมันจริงมันหลงถือมั่นไปตามสมมติบัญญัติของโลก โรา ก, ก็สมมติว่านายกนางขอพระกอพระขออะไรไปอย่างนั้นก็อะไรสำคัญว่าตนนั้นเป็นอย่างนั้นจริงอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปนั่นเรียกว่าติดอยู่ในแค่สมมุติละสมมติอันนั้นไม่ได้มันก็ ถือตัวถือตนนั้นในันนี้ถือว่ามีตัวมีตนอยู่ในรูปในนามอันนี้<ม>ก็พระศาสดาทรงสอนให้เพ่งพิจารณารูปนามอันนี้<ม>ก็เพราะจิตมันเคยหลงถือว่าเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนมาแล้วนับชาติไม่ท้วนดังนั้นนะ่ะมันจึงเป็นทุกข์นั่นแหละ ใครจะมาด่าว่าตีเทียนน้อยหนึ่งก็ไม่ได้เป็นโกรธเป็นแค้นขึ้นมาเลยนั่นแสดงว่ามันหวงอ่ะมันสำคัญว่าตาหูจมูกกลิ่นกายอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายนี่เป็นของของเราไม่ยอมให้ใครมาตีชิ้นอินทาว่าร้ายถ้าเขาสรรเสริญเยืนยอให้ดีอกดีใจ เนี่ยลักษณะแห่งความถือมั่นว่าขันธ์หน้าเป็นตัวเป็นตเนตเป็นเราเป็นเขาให้รู้ให้สังเกตดูตัวของตัวเองแต่ถ้ า, ากว่ามีใครเขาสนเสริญเยินยอมาก็ไม่ยินดีเมื่อใครติสินนินทามาก็ไม่ยินร้าย กำหนดรู้เท่าทันได้รู้ได้ว่าเขาไม่ได้ว่าให้เราเขาไม่ได้เ ส, สนเสริมไม่ได้นินทาเราเขาสนเหริมนินทารูปทำนามธรรมอันนี้ตัางหากแต่รูปทำนามธรรมอันนี้ไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นเราจะไปเสียใจดีใจทำไมเหมือนอย่าง ก้อนหินอย่างเงี้ยมันตั้งอยู่นั่นนะ่ะใครจะไปด่าไปว่าอย่างไงใครจะไปสรรเสริญเ ย, ยียยอไงมันก็เป็นหินอยู่อย่างนั้นนี่ยมันไม่แปลสภาพเป็นอย่างอื่นเลยไอ้มึกท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านรู้แจ้งนามรูปนี่ตามเป็นจริงแล้วก็ฉันนั่นเนียจิตของท่านก็ เป็นอุเบกขาต่อนามต่อรูปอันนี้ใครจะสรรเสริญอินทาท่านก็ไม่หลงไหลอินดีเงินร้าย ไ, ไปตาม <ừ> เพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> เพราะฉะนั้นเราต้องทำจใจให้เป็นอุเบกขาลงไปบรรดาผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายนะแต่ ตามธรรมดาถ้าไม่มีอารมณ์อะไรมากระทบกระทั่งมันก็เป็นอุเบกขาอยู่แล้วแหละจิตนี้นะแต่ว่ามันเป็นอุเบกขาเวทนามันวางเฉยอยู่ตามธรรมดาไม่มีปัญญาไม่มีสติประคับประคองส่วนอุเบกขา ที่เราใช้ปัญญาพิจารณาเห็นนามรูปวันนี้ตามเป็นจริงแล้วปล่อยวางลงไปตามสภาพอันนี้เป็นอุเบกขายาณสัมปยุตคือความวางเฉยประกอบไปด้วยปัญญาความรู้เชี่ยงเห็นจริงมันต่างกันที่เข้าใจ <c oughs> เราต้องบำเพ็ญอุเบกขาให้ประกอบไปด้วยปัญญายานความรู้ยิ่งอย่างว่านี้แล้วมันถึงไม่หวนไหว้ไปตามโลกกระทาดังกล่าวมาแล้วนั้นแม้มีลาบก็ดีเสื่อมลาบก็ดีมียศก็ดีเสื่อมยศก็ดีมีสรรเสริญ หรือมีนินทาก็ดีมีสุขหรือมีทุกข์อะไรบังเกิดขึ้นในกายในจิตนี้ก็ไม่หวั่นไหวไปตามอันนี้ท่านเรียกว่าโล ก, กรธรรมแปลว่าธรรมมีประจำโลกหมายความว่าโลกนั่นหมายเอาร่างกายทุกส่วนนี้เองเนี่ยคำว่าธรรมนั่น หมายถึงความเกิดขึ้นเจริญขึ้นแล้วเสื่อมลงไปนี่มันจะมีลาบก็คือได้อัตภาพร่างกายอันนี้แหละมามียศก็คือการทำความดีแล้วเขาเออให้ยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆนี่การทำความดีให้เป็นประโยชน์ตนหรือเป็นประโยชน์แก่สังคม ปรากฏอย่างนี้ก็มีผู้ยกย่องสนรเสริญว่าเป็นคนดีคนมีใจเมตตาอารีเผอเพยอย่างนี้ร่างกายนี้วิบัติลงไปมันก็เป็นทุกข์มันก็เดือดร้อนอย่างนี้แหละ เมื่อร่างกายนี้เป็นปกติก็มีความสุขสบายนี่ความมีลาบความเสติมราบเป็นต้นดังกล่าวมานะี่ไม่ได้มีอยู่ที่อืน่นมีอยู่ในรูปธรรมนามธรรมนี้เองแต่เมื่อมันมีอยู่ในนี้แล้วนอกนอกรูปธรรมนามธรรมนี้ออกไปมันก็มีเหมือนกัน เพราะมันเป็นรูปเหมือนกันมีเกิดขึ้นแล้วก็แปรปวนแตกดับไปเหมือนกันหมดแล้อย่างนี้นะความจริงมันมีอย่างนี้นะ่ะทำไมเราจรึงไม่พิจารณามัวเมาประมาทอยู่อย่างไรอะ่ะนี่เตือนตนเข้าไปก็เพราะแต่ชาติไหนชาติใดมา ทเทวเกิดมาในสงสารนี่มัวเมาแต่ประมาทไม่ได้พิจารณาความจริงของโลกกระทำไม่ได้พิจารณาธรรมที่มีประจำโลกคืออัตภาพร่างกายนี้ให้เห็นธรรมเป็นจริงดังกล่าวมานั่นนะดังนั้นแหละซึงสังเกตดูจิตใจอันเป็นปัจจุบันนะ่ะ ยิงได้วันไหวไปตามคำความมีลาบเมื่อมีลาบขึ้นมาก็เพิดเพลินเจริญใจยินดีปีติว่าตนนั้นร่ำรวยมั่งมีขันเมื่อเงินทองเข้าของอะไรหมดลงไปเกิดเสียใจเป็นทุกข์เป็นโศกเป็นอย่างนั้นบุคคลผู้ไม่ได้ปฏิบัติธรรม ไม่ได้พิจารณาให้รู้แจ้งในนามทำรูปทำนี่มันย่อมเกิดจิตวันไหวไปตามความเจริญขึ้นแห่งรูปธรรมนามธรรมแล้วก็เศร้าโศกเสียใจไปตามความเสื่อมไปสิ้นไปแห่งรูปธรรมนามธรรมและสิ่งอาศัยรูปธรรมนามธรรมมีลาบยศเป็นต้น ผู้ปฏิบัติธรรมต้องพิจารณาให้รู้เห็นตามเป็นจริงทุกแง่ทุกมุมของโรคกระทำอย่าพิจารณาแต่แง่ใด้ในแง่หนึ่งเท่านั้นต้องพิจารณาให้รอบครอบหมดเลยมันถึงไม่เสียใจไม่ดีใจดีใจมันก็เป็นกิเลสอย่างหนึง่งถ้าดีใจด้วย อำนาจแห่งความหลงนะถ้าดีใจประกอบระด้วยปัญญามันก็เป็นอีกเรื่องห น, น, นึ่งอนันดีใจประกอบไปด้วยปัญญานั่นท่านรู้เท่าอยู่ดีใจกับความเจริญรุ่งเรืองแห่ง บุญวัสนธรรมีของบุคคลของตนเองหรือผู้อื่นก็ดีอย่างนี้แต่ว่าหากรู้เท่าว่าความเจริญรุ่งเรืองเหล่านี้มันก็เป็นอนิจจังไม่เที่ยงมีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดามันรู้เท่าอยู่อย่างนี้มันก็ไม่เป็นกิเลสแบบนั้นนะ หมายความว่าผู้ใดจะทำอะไรจิตใจจะเคลื่อนไหวไปอย่างไรถ้าหากววาไม่รู้เท่าตามเป็นจริงแล้วนั้นมันก็เกิดกิเลสขึ้นทังนั้นเลยเกิดความยินดีนร้ายอันประกอบไปด้วยกิเลสทั้งนั้นเลยหรือการพิจารณาธรรมะแล้วเห็นแจ้งในธรรมะ ทำเนจริงขึ้นมาได้อย่างนี้นะก็เกิดปีติขึ้นอย่างนี้ก็ทำความรู้เท่ากับปีติเหล่านั้นมันก็เป็นกำลังใจถ้าบุคคลพิจารณาอะไรทำอะไรไม่เกิดปีติเสียเลยกำลังใจที่จะภาคเปลียนพยายามต่อไปนั้นไม่ค่อยมีอ่อนแอเบงั้น การที่บุคคลจะทําความดีหรือทําความเพียรทำรักกิเลส ต, ตัณหาน้อยเบาบางออกไปจากกิตใจได้นั้นก็เพราะมันมีปีตินั่นนะเป็นกําลังนะเมื่อตอนได้ปฏิบัติทำมาโดยลําดับได้ประเมินผลดูว่าการที่เราปฏิบัติมานี่นะกิเลสอย่างนั้นก็เบาบางลง เป็นความโลภ ก, ก็เบาบางความรักก็เบาบางลงอย่างนี้นะความโกรธความพยาบาทต่างๆก็เบาบางลงความหลงความเมาความไม่รู้ต่างๆก็เบาบางลงมีแต่เบาไปเรื่อยๆไม่ไม่ได้พอกคูณกิเลสให้หนาแน่นขึ้นในใจเมื่อพิจารณาเห็นความสามารถหรือความเพียร ของตนอย่างนี้มันก็เกิดปีติอิ่มใจขึ้นมาเป็นปัใจจัยให้คนเราทำความเพียรติดต่อกันไม่ขาดสายเพราะว่าทำมาโดยลำดับนี่เห็นผลประจักมาในใจของทนเรื่อยมาอย่างนี้ดังนั้นน่ะให้พึ่งพากันสำเนียกให้ดี การปฏิบัติธรรมนะต้องให้เห็นผลประจักษ์เรื่อยมาโดยลำดับมันยึงมีกำลังใจที่จะทำสืบต่อไปไม่หยุดยั้จงจนกลัวว่ากิเลสที่มันจะหมดสิ้นไปจา ก, กจิตใจนี้จึงจะหยุดความเพียรได้ถ้ากิเลสนี้ยังไม่หมดจากดวงจิตนี้ตราบใด เราจะละความเพียรไม่ได้เลยตาถอยความเพียรกิเลสมันก็หุ้มเข้าอย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละผู้เห็นโทษของกิเลสตัณหาว่ามันพาให้ดวงจิตรวงนี้นะ่ะท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ทรมานอยู่ในโลกสันิวัตอันนี้ มานานแล้วไม่เฉพาะมาเป็นทุกข์อยู่แต่ในชาตินี้เท่านั้นที่ร่วงมาแล้วน้กก็ไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่ภพที่ดวงกิจนี้มาเกิดอาศัยรูปร่างอันนี้หรืออาศัยร่างอย่างอื่นก็เหมือนกันก็พิจารณาเห็นโทษของตัณหาอุปาทาน ที่ตนไม่ได้เพียนละมันมาแต่ก่อนมันก็พาให้ท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายเสวยทุกข์บ้างเสวยสุขบ้างอันเสวยสุขนั่นก็เป็นสุขชั่วคราวไม่ใช่สุขยั่งยืนอะไรให้เข้าใจอย่างนั้นอย่างเช่นเราเป็นอยู่ในปัจจุบันนีเนีะ่ะอย่าไปพิจารณา อดีตอนาคตอันนี้มันล่วงเลยมาแล้วมันยังไม่ถึงอันอยู่ความเป็นอยู่ในปัจจุบันนี่นะประเดี๋ยวก็เป็นสุขคือร่างกายปราศจากโรคภัยไข้เจ็บก็เป็นสุขสบายกินได้นอนหลับดีขั้นไปโรคภัยอย่างใดหนึ่งเกิดขึ้นไม่มากก็น้อย เช็นเป็นวัดเป็นไอตามระดูการอย่างนี้นะหรือเป็นอย่างอื่นก็ดีมันกระวนแต่เป็นทุกข์ทางนั้นแหละไม่มันไม่ใช่มันสบายเมื่อไรการเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะว่าเมื่อโรคภัยบางเกิดขึ้นในกายเนี่ย ทำให้ธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้าอันนี้ป่วนปั่นวันไว้ไปมาไม่คงที่อยู่ได้ลองสังเกตดูอย่างนี้แล้วควรเบื่อหน่ายไม่ใช่เลยแต่ว่าบุคคลผู้มีตัณหาหนาแน่นแล้วตัณหาที่มันย้อมจิตไว้ไม่ให้เบื่อหน่ายในรูปในนามอันนี้ หรือรูปนามอันอื่นก็เหมือนกันดังนั้นน่ะท่านเพียงสอนให้บำเพ็ญข้อปฏิบัตินับแต่เบื้องต้นสำรวมในสีเมื่อตนสำรวมในสินดีแล้วมันก็เป็นการคำจัดตัณหาส่วนยำยาบนั้นน่ะ ให้เบาบางออปไปจากกจิตใจได้แต่ศีลนั่นต้องบำเพ็ญให้ถึงปรมาทศินนะถ้าเป็นสัมรวมกายวาจาธรรมดานี่จิตใจมันยังยินดียังกำหนัดยังพอใจอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสหมู่นั่นอยู่เนี่ยศีลก็ไม่บริสุทธิ์ เต้ามองคุณมัวมันเป็ น, ย, น, นยังไงกิเลสยาบๆอันนั้นมันก็บาบางอบอประจากก์จิตที่ไม่ได้เมื่อรักษาศีลได้ถึงปรมาศีลแล้วก็เรียกว่าห้ามจิตให้ได้ด้วยสติสัมปชัญญะด้วยความอดทน ถ้าไม่ให้จิต ย, ยินยีนร้ายไปตามรูปเสียงกลิ่นรถเครื่องสัมผัสที่มาถูกต้องตาเป็นต้นอย่างนี้นะให้กำหนดรู้เท่าสิ่งเหล่านั้นอยู่เสมอเสมอไปอย่างนี้มันถึงเป็นถึงขั้นปรมาถศิน แปลว่าสินยิ่ง <c oughs> <C oughs> เมื่อสินยิ่งอย่างนี้แล้วมาเจริญสมาธิเข้าไปมันก็ทำใจสงบได้ง่ายได้เร็ว <c oughs> การเท่งกรรมฐานอะไรภายในร่างกายมันก็เห็นชัดเพราะว่า <c oughs> <c oughs> เมื่อบุคคลมาสำรวมในสินให้ยิ่งขึ้นไปแล้วกิเลสหยาบอันที่ให้เกิดความกำหนัดยินดีอย่างแรงกระามูานั้นมันระ ง, งับไปนี่หรือว่าความยินดีต่างๆก็ระ ง, งับไปถ้าไปยินดีพอใจอยู่ในรูปเป็นต้นดังกล่าวมาแล้วไอ้สินมันก็ไม่บริสุดพุดผ่องได้ ทำความเข้าใจกับตัวเองอย่างนี้นะนั่นเนี่ยมันถึงเป็นสินยิ่งได้เมื่อเป็นเช่นนั้นจิตใจก็ย่อมผ่องใสเมื่อใจผ่องใสแล้วน้อมจิตลงสู่ความสงบมีสติประคองจิตไว้มีขันติความอดทน ไม่ปล่อยจิตให้ฟุ้งส้านให้คิดส้านไปในอารมณ์ต่างๆมันก็สงบลงได้ง่ายมันก็ไม่ไปปลุกปล้ำเอามากมายเพราะว่ากิเลสยำหยาบอันนั้นมันละ ง, งับลงไปแล้วอย่างนี้แหละให้พากันเข้าใจเมื่อเป็นเช่นนี้สมาธิมันก็ยิ่งสิ มันไม่มีกิเลสหยาบมารบ ก, กวนเมื่อกิเลสจากกลางมาสงบลงอย่างนี้แล้วจิตมันก็รวมลงเป็นหนึ่งได้เพ่งความเป็นหนึ่งอันนั้นอยู่มันก็แก่กล้าขึ้นที่ความสงบ น, นั้นนะไม่มีสติเพ่งพินิจอยู่ในความสงบนั้นนะเดี๋ยวจิตก็ถอนให้เข้าใจ